ตัณหาชเนติปุริสังตัณหายังคนให้เกิดจิตของเขาย่อมวิ่งพล่านสัตว์ที่ยังเวียนเกิดเวียนตายย่อมไม่หลุดพ้นจากทุกข์ตัณหาชั่วยั่วยนให้คนเกิดเป็นกำเนิดคนสัตว์เหมือนนัดหมายจิตของสัตว์วิ่งพล่านออกร่านรายเวียนเกิดตายไม่หยุดสิ้นสุดลง ด้วยตันหาพาเวียนเปลี่ยนสภาพละเอียดหยาบล่อตาพากันหลงทุกไม่สิ้นดิ้นรนตามบนวงในกำกงกำเนิดเกิดกับตายพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศอาจารย์กมณ ว, วันเรืองรัตนสุนทร เป็นผู้ช่วยพิธีกรด้านเอกสารและข้อมูลออกอากาศครับวันนี้ก็จะเล่าเรื่องของพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังอีกรูปหนึ่งก็คือพ่อท่านเอื้อมกระตะบุญโยซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเพชรแท้แห่งลุ่มน้ำปากผนังครับท่านพ่อเอื้อมนี่เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดที่บ้านกะระเกตอำเภอเชียนใหญ่ เมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2449ปีรากาตอนเด็กท่านเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนใกล้บ้านมีความตั้งใจในการศึกษาจนจบภาคบังคับจึงออกมาช่วยเหลือครอบครัวประกอบอาชีพเป็นหัวเรียวหัวแรงแข็งขันสำหรับยมพ้องท่านนั้นนับถือศาสนาอิสลาม ส่วนโยมแม่มีเชื้อสายจีนนับถือาศาสนาพุทธท่านก็เลยมีโอกาสที่ดีกว่าเพื่อนเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันเพราะว่าได้สัมผัสเรียนรู้ขนบรรมเนียมประเพณีแล้วก็การศึกษาวิชาอาคมทั้งพุทธทั้งอิสลามเล่ากันว่าพ่อท่านเอื้อมกตะปุญโญนี่เป็นสิทธิ์คารวะรุ่นน้องของพลตารวจตรีขุนพันธรักษ์ราชเดชในอดีตนี่เคยเป็นคู่อริต่อกัน มีเรื่องเล่าระหว่างท่านกับขุนพันว่าในอดีตพ่อท่านเอื้อมกัตปุญโญเป็นเสือปล้นที่มีวิชาอาคมขลังอยู่ยงคงกระพันชาตรีมีความห้าวหารไม่แพ้เสือรุ่งดอนไซและเสือสังขุนโจรร้ายจอมทมินเคยเป็นคู่อริไล่ล่ากันมาหลายครั้งหลายคราแต่ว่าไม่มีใครแพ้ใครชนะเพราะว่าทั้งท่านทั้ง ขุนพันธรักษ์ราชเดชตางก็เป็นสิทธิเขาอ้อสายตรงซึ่งพ่อท่านเอื้อมเป็นสิทธิ์รุ่นน้องร่วมสำนักเดียวกันกับท่านพลตำรวจตรีขุนพันธรักษ์ราชเดชทั้งสองท่านเมื่อประชญหนากันก็ต่างสยบกันไม่ลงทั้งทั้งที่ขุนพันเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นมือปราบโจรแต่ก็ทำอะไรพ่อท่านเอื้อมกระตปุญโยไม่ได้ท่านมีดีอะไรเดี๋ยวเราจะคุยให้ฟังกันครับ แต่สำหรับพลตารวจตรีขุนพันธ์นี่ต้องยอมรับท่านบาทฑิตมากโดยฝีไม้ลายมือปราบเสือปล้นมาทั่วทุกภาคเพราะว่าขุนพันธ์ก็มีของดีของขลังติดตัวเฉกเช่นเดียวกับพ่อท่านเอื้อมกาตาอุญโยเหมือนกันขุนพันธ์ธรราชเด่ดนี่เป็นชื่อที่กรมตารวจและผู้คนในแผ่นดินเมืองใต้เรียกกันติดปากท่านเป็นตํารวจคนเดียวที่ผู้บงังคับบัญชาซึ่งมียศสูงกว่าให้เกียรติและให้ความเคารพ ในฝีมือที่หันกล้าแล้วก็ฉลาดหลักแหลมในการทําหน้าที่ปราบปรามโจรผู้ร้ายนายร้อยบุตรพันธรัก์เริ่มต้นทําหน้าที่ราชการครั้งแรกที่เมืองสงขลาเวลานั้นเรียกว่ากองบังคับการตํารวจภูธรมณฑลนครศรีธรรมราชประจำสงขลานายร้อยบุตรประจําอยู่สงขลาเพียงหกเดือนก็เลื่อนขึ้นเป็นนายร้อยตรี หลังจากนั้นชื่อของขุนพันธ์ก็เกิดขึ้นที่พัทลุงเมื่อท่านถูกย้ายเป็นผู้บังคับกองหมวดที่กองเมืองจังหวัดพัทลุงที่นี่เองคือเวทีการสู้รบกับเสือร้ายครั้งสําคัญจนทําให้ชีวิตของท่านได้สร้างเกียรติประวัติเรื่องลือไปทั่วภาคใต้โดยเฉพาะการปราบเสือสังผู้มีอิทธิพลและดุร้ายได้สําเร็จที่ป่าพยอมจังหวัดพัทลุงประวัติเสือร้ายเมืองพัทลุงนี้นับว่าอุกชะกัน โดยเฉพาะก่อนหน้าที่ขุนพันธ์จะเกิดขึ้นเนี่ยมีเสือร้ายระบือนำเช่นขุนโจรรุ่งดอนทรายและขุนโจรดำหัวแพรตั้งชุมโจรใหญ่อยู่ที่บ้านดอนทรายทำการปล้นฆ่ามาแล้วอย่างอุกอาจที่สุดเมืองพัทลุงเป็นเมืองเก่าที่รุ่งเรืองด้านศิศาสตร์ประวัติศาสตร์ของเมืองพัทลุงนั้นมีวัดเขื่อนบางแก้วเป็นวัดแห่งแรกกจริง แต่เมื่อมองย้อนหลังไปดูความยิ่งใหญ่ของสำนักเขาอ้อทาให้เราได้รู้ความจริงอันน่าอัศจรรย์ว่าสำนักเขาอ้อหรือว่าวัดเขาอ้อนี้จัดเป็นวัดเก่าที่สองในเมืองพัทลุงสร้างมาตั้งแต่ปีพศ .2151 แสดงว่าวิทยาคมเขาอ้อนี้ได้ถูกถ่ายทอดซึมซับอยู่ในหมู่สิทธิ์รุ่นต่างๆอย่างกว้างขวา ง, วางก็ทําให้ สิทธิ์สํานักนี้มีทั้งคนดีและคนไม่ดีเมื่ออํานากริษเดชไม่มีอยู่ในเนื้อตัวผู้คนหลายประเภทก็เป็นการยากที่จะควบคุมอํานาจนั้นให้อยู่โดยความเป็นธรรมได้การล่มสลายของเขาอ้อในยุคพระอาจารย์ปานปาลาธโมเป็นตัวอย่างที่เด่นชัดว่าเมืองพัทลุงมีสิทธิ์เขาอ้อที่เป็นเสือมากๆมา ก, มากพอกับสิทธิ์ที่เป็นสิงมือปราบอยู่พลตารวจตรีขุนพันธรักษราชเดช และนักปกครองคนอื่นๆพระอาจารย์ปานนี่ต้องทำหน้าที่ควบคุมสิทธิเสือทั้งหลายเพื่อพิทักษ์รักษาความศักดิ์สิทธิ์และคุณธรรมของสำนักเขาอ้อจนกระทั่งสิ้นชีวิตอาณาจักรเมืองพัทลุงมีชุมโจนโด่งดังสุดแผ่นดินมากมายเสือร้ายเหล่านั้นมีขอบขายอิทธิพลครอบกลุมจังหวัดใกล้เคียงหลายจังหวัดเช่นสงขลาจังหวัดตรังเป็นต้น ทำให้ประชาชนในยุคนั้นเดือดร้อนนอนตาไมห่หลับด้วยภัยจากเสือร้ายปล้นฆ่าในบรรดาเสือร้ายหรือว่าขุนโจรใหญ่เบืองพัทลุงนั้นชื่อเสียงของรุ่งดอนทรายและดำหัวแพรคือชื่อของมหาโจรสําคัญรุ่งดอนทรายเป็นประมุกโจรที่มีชื่อเสียงในการปล้นฆ่าทําให้บรรดานักเลงหัวไม้จากในท้องถิ่นและหัวเมืองใกล้เคียงเช่นจังหวัดตรังและนครศรีธรรมราช พากันไปสมัครเป็นสมาชิกโจนโก๊กนี้มากมายอิทธิพลมีมากถึงขนาดที่ว่ารุ่งดอนสายประกาศห้ามไม่ให้ชาวบ้านติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งห้ามไม่ให้ราษฎรเสียเงินรัชชูประการไม่ให้เสียภาษีอะไรทั้งนั้นท้าทายอำนาจรัฐราวกับว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่มีความหมายอะไรเลยสร้างความหนักใจให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในแผ่นดินของรัชการที่หกเป็นอันมาก เสือรุ้งดอนทรายหัวหน้าโจรบ้านดอนทรายนี้มีรองหัวหน้าโจรชื่อว่าดำหัวแพรทั้งสองชื่อนี่คือหนามยอกอกของบ้านเมืองเรื่อยมาหลายยุคหลายสมัยก่อนที่พลตารวจตรีขุนพันธุรักษ์ราชเดช จ, จะย้ายเข้าเมืองพัทลุงนั้นสองเสือร้ายแห่งบ้านดอนทรายนี่โด่งดังมากที่สุดเมืองพัทลุงปีนั้นพุทธศักราช2460 ตรงกับรัชสมัยของล้นกล้ารัชกาลที่หกสังคมชาเมืองและชาวบ้านที่นั่นในยุคนั้นมีลักษณะเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองปฏิบัติตนไม่อยู่ในทานองครองธรรมชีวิตวามเป็นอยู่ของผู้คนก็อยู่ในลักษณะขาดที่พึ่งพาอาศัยต้องดำเนินชีวิตอย่างอิสระแบบที่เรียกว่าช่วยตัวเองเป็นสาคัญคือใครเก่งใครอยู่ จึงมีการแบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่าปกครองตนเองหรือว่าคุ้มครองตัวเองชุมโจนบ้านดอนทรายก็เลยเกิดขึ้นโดยมีเสือรุ่งดอนทรายเป็นหัวหน้าเสือดำหัวแพรเป็นรองหัวหน้าในหลักฐานจดหมายเหตุเสด็จประพาสหัวเมืองปักใต้พระยารัษฎานุประดิษฐ์ได้เคยกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หมีความว่าเมื่อแรกแรกมาเป็นเจ้าเมืองตรังนี้ ทำเนียมผู้ชายไปขอลูกสาวฝ่ายบิดามารดาถามก่อนสองข้อคือรัมมานูราเป็นหรือไม่กับขโมยควายเป็นหรือไม่ถ้าไม่เป็นทั้งสองอย่างจะไม่ยอมยกลูกสาวให้เพราะฝ่ายบิดามารดาของผู้หญิงแลไม่เห็นว่าจะเลี้ยงเมียได้อย่างไรนั่นคือหลักฐานที่สะท้อนใ้เห็นว่าสภาพบ้านเมืองปักใต้เวลานั้นวิกฤตขนาดไหน คนเกเรรู้รว่านักเลงที่ก่อความเดือดร้อนทางการจะเข้าไปจัดการเป็นครั้งคราวบางทีก็ปราบปรามเองบางคราวก็ใช้คนอุบายที่เรียกว่าโจรปราบโจรก็ก่อให้เกิดปัญหาตามมาเป็นการล้างแค้นระหว่างผู้สืบสายสกุลชาวบ้านก็ไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจึงมีคำสอนลูกสอนหลานว่า น, นายรักเหมือนเสือกอดหนีนายรอดเหมือนเสือหาย เสื้อกกบ้านดอนไซแล้วก็ดำหัวแพรเกิดขึ้นจากวิธีที่ทางบ้านเมืองใช้อุบายโจรปราบโจร น, นั่นเองเรื่องมีว่าในอำเภอทะเลน้อยได้ติดต่อกำนันศรีหรือว่าคนที่ทั่วไปเรียกว่าศรีสงครามซึ่งเป็นกำนันตำบลดอนไซหาทางจับผู้ร้ายในท้องที่ส่งดำเนินคดีโดยแนะให้ติสินบนนำจับคนร้ายว่าจะไม่เอาผิดบ้างจะให้เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้าง ผลของการปราบปรามโจรกกนี้ทําให้เกิดความแตกแยกในหมู่โจรไม่มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นเหล่ามากขึ้นการดําเนินการจับกลุ่มรุ่งดอนทรายนั้นกนํานันสีติดต่อทางผู้ใหญ่อินบ้านโคกวัดซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของรุ่งดอนทรายเพราะทราบมาว่าผู้ใหญ่อินเป็นคนติดต่อส่งสเสบียงให้เสือรุ่งดอนทรายมีบริวารมากการจะจับตัวมันได้เป็นเรื่องยาก หากไม่ได้ผู้ใหญ่อินคนส่งสเสบียงช่วยเหลือก็ไม่มีทางจะจับเขาได้ผู้ใหญ่อินก็นัดพบรุ่งดอนทรายให้มารับข้าวห่อที่บ้านในสวนหมู่สามตําบลควรขนุนแผนการถูกกําหนดตัวบุคคลที่จะจับกุมเอาไว้ล้วนมีร่างกายล่ําสันแข็งแรงมีในเอียดในช่อในไข่ดือร่วมเป็นกําลังจับกุมขณะที่รุ่งดอนทรายและนายแจ้งน้องชายกําลังกินข้าวหอ่อ นายเอียดก็ถือขวานย่องก็ไปข้างหลังใช้สันขวานตีหัวเสือรุ่งลม้มลงเสร็จแล้วนายไข่ตือก็โดดขึ้นคร่อมมัดมือรุ่งดอนทรายไว้ในช่อไปยีที่หัวเขา่าหักขาอีกแห่งเพื่อไม่ให้เสือรุ่งดอนทรายแผลงฤทธิ์ได้นายแจ้งก็ถูกกุยใหญ่อินเข้าจับตัวไว้สามารถส่งตัวทั้งสองคนให้กำนันสีเป็นผลสาเร็จนายช่อนี้ถูกซัดทอดติดคุกด้วย เสือรุ่งดอนทรายถูกดำเนินคดีและถูกส่งตัวเข้าจองจำไว้ที่มณฑลนครศรีธรรมราชขณะที่อยู่ในคุกเสือรุ่งยังสำแดงฤทธิดเดชให้ญาติจัดยาพิษไปให้และลอบวางไว้ในอาหารทำให้ในายช่อและนายแจ้งน้องชายตายในคุกจากนั้นเสือรุ่งก็วางแผนกับเพื่อนนักโทษชื่อเสือสังแหกคุกได้สำเร็จเมื่อออกจากคุกได้แล้วเสือรุ่งดอนทรายก็ไปฆ่ากนานันศรีสงครามตายอย่างอุกอาจ เป็นการล้างแขนที่จับมันเข้าคุกจากนั้นเสือรุ่งดอนทรายก็ประกาศตัวเป็นหัวหน้าโจรบ้านดอนทรายก็ทําให้บรรดาโจรก๊กเล็ก ก, ก็น้อยหันมาร่วมสมทบเป็นอันมากบรรดาสมุนโจรยกย่องให้เสือรุ่งมีศักดิ์เป็นท่านขุนพัดเป็นบรรดาศักดิ์ที่โจรตั้งให้กันเองอย่างเยอหยันราชการบ้านเมืองเรียกว่าโจรปกครองเมืองความเหมิมเกริมของเสือรุ่งเกิดขึ้นเพราะมีอํานาจเหนือชุมชนชาวบ้านดอนทราย ชาว บ, บ้านก็แต่งตั้งชื่อใหม่ให้เสือรุ่งเสต็มยศว่าขุนพัดนอกจากนั้นแล้วบรรดาโจนที่รองรองลงมาก็เรียกใหม่ให้สอดคล้องเป็นบรรดาศักจโจนอีกหลายรายเช่นดำหัวแพรก็เป็นขุนอั ส, สดงไพรวันนะส่วนขุนอารันไยรีก็คือเสือดำปากคลองเสือวันบ้านม่วงลูกดำอำเภอนาท่อนก็เป็นขุนประจบแพรสี แล้วก็เสือดำบ้านพราวเป็นขุนคเนตพยอมหานการตั้งชื่อเสียงหรือว่าการให้ชื่อบรรดาศักด์แก่เสือร้ายเหล่านี้มีข้อที่น่าสังเกตอยู่ว่าแต่และคนมีภูมิหลังที่มาของชื่อนั้นอยู่เหมือนกันอย่างเช่นเสือรุ่งขุนพัดเนี่ยก็มีเรื่องเล่าว่าทางอตอนหนึ่งเมื่อไปถึงเรือนจำนครศรีธรรมราชเจ้าเมืองมาดูตัวแล้วก็อุทานกว่านี่เหลือขุนโจรพัฒลุง เพื่อนนักโทษก็เลยตั้งชื่อยอ่อเรียกว่ารุ่งขุนพัดหรือพัทหลุงนั่นแหล ะ, ะเมื่อเสือร้ายหนีเอาจากคุกได้สำเร็จท่านขุนที่เป็นพัสดีเรือนจำถูกปลดคนจึงพูดกันว่าเอาบรรดาศักขุนไปมอบไปเสือรุ่งดอนทรายซะดีกว่าก็เลยเรียกสั้นๆว่าขุนพัดสำหรับฉายานามรองเสือดำหัวแพรนั้น อ, ออกจะสับสนกับนามของอเสือวัน ภาศีเป็นขุนอัสดงดำแพรส่สีกับขุนประจบไพรวันส่วนขุนพเนธพยอมหานเข้าใจว่าจะตั้งเรียนจากบรรดาศักดิ์ประธานกำนันตำบลป่าพยอมที่เป็นขุนขเนธพยอมวันเรื่องราวของโจรกลุ่มรุ่งดอนทายนั้นมีการเขียนเป็นกรอนไว้หลายแห่งตัวอย่างเช่นจะกลับมากล่าวเรื่องราวโจรไร นายรุ่งดอนทรายหัวไม้หัวลือพวกพ้องของมันชวนกันนับถือหัวไม้ตัวลือชื่อว่าขุนพัดพวกพ้องของมันนั้นอยู่แออัดถัดแต่ขุนพัทคือนายดำหัวแพรถัดแต่นั้นแลที่สามนายแก้วในวันภาชีเป็นที่คร่องแคล่วถัดแต่นายแก้วนายยกสองยกนายแดงราชสีผมนี้ไม่หก ในรุ่งตกจบเป็นก๊กเดียวกันมีอยู่อีกสำนวนหนึ่งเขียนถึงเสือรุ่งดอนทรายแล้วก็มอบให้กับคุณพระวิชัยประชาบาลบทกลอนที่ว่านั้นเขียนไว้ว่าขอถาแถลงแจ้งเรื่องในเมืองลุงมีในรุ่งดอนทรายหัวไม้ใหญ่ประพฤติแต่การชั่วไม่กลัวใครทั้งกำนันผู้ใหญ่ไม่นำพามันยกเป็นตัวใหญ่อยู่ในที ถือว่ามีอํานาจว่าศสนาเที่ยวดุร้ายลําพองของวัดวาชาวประชาราดพาให้ร้อนใจเวลานั้นชุมโจรบ้านดอนทายในจัดว่าเป็นชุมโจนที่สมบูรณ์แบบเมื่อประกาศตัวเป็นหัวหน้าโจรแล้วเสือรุ่งก็ได้ทํำปลอกเงินเป็นอาวุธประจําตัวหัวหน้าเมื่อเวลาจะสั่งการอะไร หากเสือรุ่งสั่งการด้วยตัวเองไม่ได้ก็จะมอบปืนไปแทนตัวใครจะอ้างคําสั่งทําไมมีปืนแสดงก็ไม่ต้องเชื่อถือทั้งยังประกาศไม่ให้ชาวบ้านดอนไซติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยทุกๆุกทางโดยเสือรุ่งทําหน้าที่คุ้มครองชาวบ้านแทนกฏของโจรบ้านดอนาซนั้นเมื่อจะทําการปล้นในท้องที่ไหนก็ต้องปฏิบัติอย่างนี้คือหนึ่งหากเจ้าทรัพย์ไม่ต่อสู้ขัดขืนห้ามทำร้าย สองทรัพย์สินเครื่องใช้และเครื่องแต่งตัวที่อยู่ติดตัวจะไม่ถือเอามาเป็นของโจรจะถือเอาของที่เก็บได้ไว้เท่านั้นสามหากว่าเคยไปอาศัยพักพิงหลบแดดหลบฝนที่ชายคาบ้านใครแล้วโจรโดนทรายจะให้ความคุ้มครองบ้านนั้นใครจะมารังแกไม่ได้เสือรุ่งก็รักษาสัจจะของโจรอย่างเคร่งครัดดังนั้นการให้ความคุ้มครองจะปฏิบัติอย่างจริงจัง ข้อนี้เองที่ทำให้ชาวบ้านอบอุ่นใจจนรู้สึกว่าโจรคือเพื่อนเก่าที่คอยช่วยเหลือพวกเขาก็เลยทำให้พวกโจรมีจํานวนสมาชิกที่ให้การสนับสนุนเพิ่มขึ้นเรื่องนี้อาจารย์เปลืองน น, นครหรือว่านายตำราณเมืองใต้เคยเล่าให้ฟังว่าบิดาของท่านเคยเล่าให้ท่านฟังว่าโจรบ้านดอนทรายในเก่งเก่งกล้ามากเสือรุ่งดอนทรายเคยหานกล้าท้ายิงกับเจ้าหน้าที่ตารวจ มีการยิงต่อสู้กันราวกับทำสงครามในชุมชนย่อยๆต่อสู้กันถึงขนาดที่ว่าต้องขุดสนามเพราะเลยทีเดียวความยิ่งใหญ่ของรุ่งขุนพัทหรือว่ารุ่งดอนทรายจึงเป็นเรื่องที่คนพัทลุงลืมไม่ลงและเมื่อเสือรุ่งฆ่ากำนันสีสงครามตายไปแล้วบ้านดอนทรายก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของโจรโดยเบียดเสร็จเสือรุ่งได้แต่งตั้งให้ในคลิงญาติใกล้ชิด เป็นกำนันตำบลบ้านดอนายแทนนายสีสงครามการแต่งตั้งนายคลิ้งเป็นกำนันเสือรุ่งหวังว่ากำนันคนใหม่จะให้การสนับสนุนชุมชนของตัวแต่ต่อมาภายหลังเมื่อกำนันคลิ้งตีตัวออกห่างไปเข้าข้างฝ่ายบ้านเมืองเป็นสายคอยแจ้งเส้นทางปล้นให้เจ้าหน้าที่เช่นเมื่อตอนที่กำนันคลิ้งสืบท่าบะเสือรุ่งจะนาพวกไปปล้นที่กะปางเขตเมืองตรัง ก็นำความไปให้ฝ่ายตำรวจรู้ในอำเภอทะเลน้อยนั้นก็คือขุนสกลสถานพิทักษ์ได้จัดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปดักซุ่มอยู่ที่ซ่อนไอ้หมีซึ่งเป็นทางแคบเมื่อเสือรุ่งดอน้ายกับพวกเดินทางไปใกล้มีข้งข่าวบินมาชนหน้าเสือรุ่งพอดีจมูกเสือรุ่งได้รับกลิ่นควันบุหรี่สิการ์ก็รู้แกวซะก่อนก็เลยรีบเดินทางกลับภายหลังสืบรู้ว่าเกลือเป็นหนอน กำนันคลิงหักหลังสมคบคิดกับพวกอำเภอจะฆ่าตัวและพวกเสือรุ่งก็เลยยิงกำนันคลิ้งตายน้องกำนันคลิงวิ่งหนีหัวสุกหัวซุนไปซบไหยตำรวจที่โรงพักทะเลน้อยทีนี้มาถึงวันตายของเสือรุ่งดอนทรายเสือรุ่งนั้นแม้จะมีพวกมากและมีคนรักเกรงกลัวแต่มันก็คือขุนโจรที่ผิดกฎหมายทางการก็ต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะปราบปรามให้จงได้ หลังจากที่เด็ดชีวิตล้างแค้นกำนันคริ้งแล้วต่อมาเสือรุ่งดอนสายก็มีเหตุป่วยเป็นฝีบวคว่ำบัวหงายขนาดใหญ่มันรู้ตัวว่าจะต้องตายภายในเวลาไม่เกินสองวันก็บอกกับพักพวกโจรว่าจะขอตายที่บ้านลูกน้องก็ช่วยกันประยุงตัวเสือรุ่งมาถึงบ้านในตอนเย็นเป็นการบังเอิญที่ลูกสาวกำนันคลิ้งคือนางขีดมาเห็นเข้าพอดีนางขีดก็คิดจะล้างแค้นให้พ่อ ก็ ร, รีบเดินทางไปหาอาชื่อชำที่โรงพักทะเลนอ้อยคืนนั้นเองขุนสกลสถานพิทักษ์อำเภอพร้อมกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจก็เข้าล้อมบ้านเสือรุ่งไว้ในตอนเช้าโดยมีนายชำและนายยกย่างแครเป็นคนนําทางเวลานั้นมีคนนอนอยู่บนเรือนเสือรุ่งสี่คนมีรุ่งดอนทรายนางหินซึ่งเป็นภรรยายนายทุ่มแล้วก็นายศี เมื่อกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจล้อมประชิดในสีก็พลิกตัวลอดร่องแมวหนีไปได้แต่เสือรุ่งดอนทรายและเสือทุ่มนี่ตายคาที่นางหิมภรยาก็ถูกปืนที่แขนการดับชีวิตเสือรุ่งดอนทรายในวันนั้นนับเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองพัทลุงเจ้าหน้าที่ได้นาเอาศพจอมโจรใหญ่บ้านดอนทรายไปมัดประจานไว้ที่ต้นตาลหน้าวัดกุดหรือว่าวัดสุวรรณวิชัย การตายของจอมโจรรุ่งรอนทายนั้นมีผู้จำบทกลอนที่เขียนไว้คนยุคนั้นเขาก็จำได้ว่าท่านขุนสกลในอำเภอถือเมาเซอร์บราวนิงวิ่งตะบึงปีโทศก62สองต้องถึงตายเพราะเคราะารราหูจู่มาถึงทั้งลูกเบียเสียใจพี่ไรร้องเหมือนโพทองเคยทำนัก มาหักลงดำหัวแพรก็แก้ไขไปตามตรงว่าฉันคงตั้งหน้าฆ่านกต่อกรอบทนี้ในแก้บวบัวขาวเป็นคนเขียนไว้ในปีที่รุ่งดอนทรายเสียชีวิตคือปี2462ผู้ที่สืบสารสายเลือดโจรต่อจากรุ่งดอนทรายก็คือขุนโจรดำหัวแพร การสิ้นชีวิตของเสือรุ่งนั้นไม่ได้หมายความว่าชุมชนนี้จะสลายไปด้วยเพราะว่ายังมีรองที่ชื่อว่าดำหัวแพรมีฝีมือฉกาจฉกันไม่แพ้ลูกพี่ดำหัวแพรได้เป็นหัวหน้าชุมชนบ้านดอนายสิ่งแรกที่เขาต้องทำก็คือจะต้องกำจัดหรือ ว, ว่าตามล่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังการตายของรุ่งดอนายนั่นก็คือนายชน้องชายกานันคิ้งและนายยกยางแคร เป็นที่น่าสังเกตว่าดําหัวแพรไม่ได้คิดจะทํำร้ายนางขีดลูกสาวกํานันคลิ้งเพราะสัจจะของโจรดําหัวแพรนั้นไม่ฆ่าผู้หญิงและเด็กเพื่อล้างแค้นนายชำนั้นรู้ตัวดีว่าเป็นตัวการทําให้เสือรุ่งถูกฆ่าก็เลยอยู่กับเจ้าหน้าที่ตํารวจตลอดเวลาโดยอยู่ที่โรงพักทะเลน้อยดําหัวแพรก็ยกกําลังไปจัดการกับนายยกที่บ้านยางแคก่อนนายยกถูกฆ่าตายด้วยพระ เชวดคอการฆ่านายกยางโหดเยี่ยมครั้งนั้นเสือดำต้องการข่มขวัญคนที่คิดร้ายติดต่อกับเจ้าหน้าที่เป็นการปราบไม่ให้มีผู้ใดคิดหักหลังฝ่ายโจรอีกก็นับว่าได้ผลดีอย่างที่เขาคิดไว้หลังจากการฆ่านายกยางแคร์อย่างอุกอาจแล้วปรากฏว่าไม่มีใครกล้าติดต่อเจ้าหน้าที่อีกอหมายความว่าเสือดำหัวแพรสามารถควบคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด อิทธิพลของโจรบ้านดอนทรายก็กลับคืนมาอยู่ในมือของดำหัวแพร์ครั้งหนึ่งปีพุทธศักราช2463ดำหัวแพรได้ทําการกํำราบในกลับที่เอาใจฝักไวเข้าข้างเจ้าหน้าที่โดยยกกําลังไปทําลายเข้าของบนเรือนละคนที่อยู่ขณะที่เจ้าของบ้านไปทุระเป็นการทําลายขวัญหวังให้เก็ดหลับรวมทั้งให้เผาบ้านในกลับอีกด้วย การบุกบ้านนายกลับในครั้งนั้นเองนำไปสู่วาระสุดท้ายของดำหัวแพรคือนายกลับได้เดินทางไปสงขลาถวายดีกาความเดือดร้อนต่อองค์อุปราชปักใต้คือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมมาหลวงลบบุรีราเมเทพองค์อุปราชจึงบัญชาใหา้ในพันตารวจโทรพระยาพิชัยประชาบาลผู้บังคับการตํารวจภูธรมนทนนครศรีธรรมราชดําเนินการปราบปรามเสือดำหัวแพรให้ราบคับ แผนการปราบถูกกำหนดขึ้นอย่างรอบคอบพระพิชัยประชาบาลดำเนินการเรื่องนี้ด้วยตัวเองโดยนำกำลังตำรวจของมณฑลไปตั้งกองอำนวยการปราบไอสามจุดด้วยกันคือที่ตำบลนานท่อมตำบลควรขนุนและตำบลปันเตได้อาศัยกำลังตำรวจท้องที่ช่วยนำทางขณะที่กำลังตำรวจไปจัดตั้งกองปราบอยู่ที่ควรขนุนนั่นเป็นเวลาประจวบเหมาะ กับเวลาที่ดำหัวแพรกกำลังชักชวนไปทำบุญกองทรายที่วัดกุดเวลานั้นงานยังไม่ได้มีการฉลองวัดกุดเวลานั้นก็มีพระอาจารย์นุย้ยสหสเตโชเป็นเจ้าวัดนับว่าท่านไม่ใช่พระธรรมดาแต่เป็นพระวิปัสนาที่ชาวบ้านนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์เก่งกล้าด้านวิทยาคมมีลูกศิษย์อยู่มากมายในเมืองพัทลุงเล่ากันว่าท่านมีวัดปฏิบัติที่แปลกอยู่อย่างหนึง่ง คือวันไหนท่านนั่งอยู่ทิศใดรู้ว่าหันหน้าไปทางที่ไหนท่านก็จะหันอยู่อย่างนั้นจนตลอดวันสิทธิ์จะต้องจัดการให้ท่านฉันตามที่ท่านนั่งแล้วก็หน้าทึ่งอยู่ก็คือท่านชอบฉันหมากแล้วก็กระแช่ตอนที่คุณพระวิชัยไปตั้งกองปราบอยู่ในวัดกุดท่านยังไม่ยอมไปกราบท่านอาวาัตท่านอดิการ์น้้ยรู้เรื่องก็ไม่พอใจท่านก็เข้าวัดจําศีลคุมโปงไม่ฉันอาหารอยู่นานสามวัน ตรงนี้เองที่ทำให้คุณพระวิชัยมีอาเพศปวดท้องอย่างแรงกินยาอะไรก็ไม่หายสุดท้ายตำรวจคนหนึ่งบอกว่าคุณพระวิชัยเนี่ยโดนคุณใสเขาแล้วก็ได้ทำพิธีจุดเทียนขอขมาจเจ้าวาดให้หายปวดท้องแล้วจะถวายขนมโคก็คือขนมต้มขาวน่าอัศจรรย์ว่าพอขอขมาอย่างนี้คุณพระก็หายปวดท้องเป็นปลิดทิง้ง พอหายปวดท้องแล้วก็เลยไปกราบท่านอธิการนุย้ยเจ้าอาวาสผู้เรืองวิทยาคมโดยบอกว่าจะช่วยทนุบำรุงวัดนี้ได้นำพระพุทธรูปสำริดไปถวายหนึ่งองค์มีจารึกบนแผ่นโลหะติดไว้ที่ฐานพระว่าพระพุทธวิชัยพุทธศักราช2463เป็นพระศิลปะเชียงแสนสูงจากฐานถึงเกศ24นิ้ว ที่มาของพระพุทธรูปองค์นี้คุณพระวิชัยได้มาเมื่อคราวที่ท่านไปปราบโจรทางภาคเหนือตอนที่ท่านไปพบปรากฏว่าพระพุทธรูปองค์นี้มีรากไทรโอบหุ้มอยู่ท่านก็ตัดต้นไทรอันเชิญพระพุทธรูปดังกล่าวออกมานับว่าเป็นพระที่มีความหมายยิ่งพระวิชัยต้องการจะให้พระพุทธรูปองค์นี้เป็นของศักดิ์สิทธิ์ประจําวัดกุฎก็ปรึกษาหารือกับท่านอธิการนุ้ยเจ้ า, าวาด ก็เปลี่ยนชื่อวัดนี้เป็นวัดสุวรรณวิชัยเข้าใจว่านั่นเป็นมงคลชัยอย่างหนึ่งที่คุณพระวิชัยได้ถือเคล็ดในการสู้รบกระเสือดำหัวแพรขุนโจรใหญ่แห่งพัทลุงครั้นเมื่อคุณพระตั้งกองปราบเสือเรียบร้อยท่านก็ดำเนินการต่อไปดังนี้หนึ่งประกาศให้เสือร้ายเข้ามอบตัวและจะดำเนินคดีด้วยความยุติธรรม พวกที่ทำผิดไม่อุกชักันอะไรก็จะเอามาอบรมตักเตือนแล้วก็ให้เป็นทราชนดังคือทำหน้าที่สืบข่าวหาข่าวให้ทางราชการ 2. ให้นำตัวพ่อแม่เมียหรือญาติคนร้ายนับถือมาเกลี้ยกรม่มกักตัวไว้เพื่อสร้างเงินขายต่อรองให้โจรเข้ามอบตัวกับทางการ 3. ประกาศห้ามไม่ให้ชาวบ้านช่วยเหลือคนที่เป็นโจร ผู้ได้จัดข้าวห่อส่งอาหารให้มิได้ให้จัดข้าวห่อไปกินเฉพาะคนพอกินคนเดียวเท่านั้นเวลาไปทำงานไม่ให้เอาข้าวห่อมากเกินควรอันนี้เป็นการตัดกำลังฝ่ายโจรสดํดำเนินการจัดกลุ่มอย่างจริงจังทั้งจับเป็นแล้วก็จับตายการทำงานของพระวิชัยได้ผลดีคนไร้ายให้ญาติมิตติดต่อกับพระอธิการนุย้ย กำหนดวันเวลาและสถานที่มอบตัวฝ่ายเจ้าหน้าที่ของพระวิชัยก็ได้รับแจ้งจากท่านอธิการนุ้ยให้ไปรับตัวโจรที่มอบตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่องนี้กลายเป็นว่าคนที่ไม่รู้สถานการณ์ของคุณพระวิชัยก็พากันเล่าลือหือหากันไปว่าพระวิชัยนยมีตาทิพและวาจาสิทธิ์จนทําให้พวกโจรมอบตัวมากขึ้นโจรที่เข้ามามอบตัวถูกจํำขังไว้ที่ค่ายของกองอํานวยการชั่วคราวระยะหนึ่ง ก่อนที่จะส่งไปดำเนินคดีในท้องที่ภูมิลำเนาเดิมช่วงที่โจรเข้ามอบตัวมากที่สุดก็คือที่ควรขนุนเข้ามอบตัวรวมห5สห้าคนพระวิชัยให้บันทึกภาพถ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วยเวลานั้นการที่สมุนโจรพากันเข้ามอบตัวเพิ่มมากขึ้นก็ทำให้ขวัญ หรือว่ากำลังใจของโจรเสียการตั้งรับที่เคยมีมาแต่ต้นก็กลายเป็นการถอยหนีโจรสีเงินหมวกแดงหนึ่งในก๊กของโจรดำหัวแพรก็ถูกจับตายทำให้ดำหัวแพรและพวก อ, อีกสามคนหลบหนีไปอยู่ที่ตำบลโนดด้วนตำรวจสืบทราบว่าดำหัวแพรหลบไปกินกระแช่อยู่ที่นั่นจานในสิบตำรวจสิริแสงอุไร สิบตำรวจตรีนำนาควิโรธและพลตำรวจร่วงสามารถยกไปจับกลุ่มทั้งสองว่ายิงต่อสู้กันจนหมดกระสุนจาน่าในสิบตำรวจสิริแสงอุัยเหลือกระสุนอยู่นัดเดียวเขาก็แกล้งทำเป็นล้มหมอบนิ่งอยู่กับพื้นเสือดำเข้าใจผิดคิดว่าตำรวจโดนลูกปืนที่ตัวยิงก็วิ่งไปตะโกนลั่นหมายจะเชื่อดคอตำรวจสิริด้วยพระประจำตัว แต่เทว่าพระในมือเสือไายบ้านดอนทายยังไม่ทันจะควันคอจา่าพอเข้าใกล้ปืนนัดนั้นของตำรวจก็ยิงสวนเข้าใตา้คางเสือดำหัวแพรล้มลงสมุนโจรพุ่งเข้าไปพยุงร่างหัวหน้าตำรวจทั้งสามคนก็วิ่งหนีเอาตัวรอดมาได้ผู้ที่เข้าไปพยุงร่างเสือดำหัวแพรก็คือเสือแจ้งแล้วก็เสือหมุดคนทั้งสองก็พยุงร่างดำหัวแพรไปใกล้หนองไผ่ ให้นอนพักอยู่ตรงนั้นแล้วบอกว่าจะไปหายาแล้วก็อาหารมาให้เมื่อสมุนกลับมาก็พบว่าดำหัวแพรตัดสินใจฆ่าตัวตายด้วยการแขวนคอตายอยู่ใกล้หนองไผ่นั่นเองสมุนโจรก็จัดการฝังศพดำหัวแพรไว้ที่นั่นสองวันต่อมา ท, งทางตำรวจตามไปพบศพเสือดำหัวแพรก็ให้ขุดเอาศพนั้นนำไปประจานไว้กับต้นตาลหน้าวัดกุดเมื่อศพเน่าแล้ว ก็ให้เอามาเผาไฟใกล้ต้นตาล น, นั่นเองแม้ว่าร่างของดำจะถูกเผาไปในกองเพลิงแล้วก็ตามแต่มีเรื่องเล่ากันว่าวิญญาณน้องเสือร้ายตัว น, นี้ดุมากกลางคืนไม่ค่อยมีใครกล้าเดินผ่านมีคนเอาไม้เรียวไปเขี่ยตรงที่เผาศพแล้วใช้ให้ผีเข้าสิงคนก็มีครั้นเสือร้ายดำหัวแพรตายไปแล้วชุมชนบ้านดอนายก็พลอยตกต่ำลงไปเพราะไม่มีใครกล้าตั้งตัวเป็นหัวหน้าโจร ประกอบกับพวกกกโจรก็ถูกจับไปดำเนินคดีเกือบหมดกองอำนวยการปราบปรามโจรพัฒลุงของพระวิชัยประชาบาลก็ถูกยุบเลิกไปเมื่อปีพุทธศักราช2463นั่นเองที่นี้เรื่องของดำหัวแพรเนี่ยมีข้อที่น่าสนใจอยู่บางประการเช่นเหตุใดจึงได้ชื่อว่าดำหัวแพรการที่ได้ชื่ออย่างนี้ก็เป็นเพราะว่า เป็นคนผมดำสลวยงามบวชาบ้านทั่วไปตอนเป็นเด็กก็ชอบโพกหัวด้วยผ้าแพรสีเขียวพระมหาเล็กฉันตะโกวัดกุฎหรือว่าวัุวันวิชัยเล่าว่าผ้าแพรนั้นเป็นแพรอย่างหนาพวกโจร น, นิยมนำติดตัวไปด้วยเพราะว่าแพรเนี่ยใช้คัดเลือดให้หยุดได้สําหรับข้อที่ว่าเหตุใดชุมชนบ้านดอนสายถึงมีเป็นจานวนมากอะไรจูงใจให้คนเข้าข้างฝ่ายโจร นั่นก็เป็นพระส่วนมากเป็นพวกที่มีคดีติดตัวนอกจากนี้ก็ยังมีพวกที่ไม่ต้องเสียภาษีและเงินรัฐจุบการซึ่งหัวหน้าโจรรุ่งดอนทรายจะดำหัวแพร์ให้ความเป็นธรรมในการแบ่งทรัพย์ที่หามาได้มีการดูแลลูกน้องโจรมีลักษณะการจัดตั้งโดยถืออาวุโสและความสามารถมีสั ญ, ญลักษณ์ที่บอกให้รู้ว่าเป็นพวกเดียวกันก็คือการแบกพระที่เขาเรียกว่าพระลืมงอ เรื่องการตายของดำหัวแพรมีข้อมูลที่ต่างกันอยู่บ้างบางแห่งก็ว่าถูกเสียบทวานตายบ้างก็ว่าถูกยิงตกต้นตาลตายเป็นต้นเมื่อดำหัวแพรตายไปแล้วก็มีการสร้างรูปปั้นนองเสือผู้นี้ไว้ที่หน้าเรือนจำพัทลุงนับว่ารูปปั้นนี้มีความขลังเอาการอยู่คือสามารถบัรดาลอะไรได้ตามที่มีผู้อธิษฐานบนบานสารกล่าวเช่นขอให้อยู่ยงคงกระพันขอลาบ ขอให้ทำอะไรสำเร็จก็ทำให้มีผู้พากันมาบนบานสารกล่าวกันอย่างกว้างขวา ง, วางต่อมาภายหลังรูปปั้นดำเสือแพรก็ถูกนำไปตั้งไว้ที่เขากั้งเป็นรูปดำหัวแพรเนี่ยถือพระลืมงอยืนตร anggan อยู่การปั้นรูปขุนโจรใหญ่ผู้นี้มีผู้วิพากษ์วิจารณ์กันมากในยุคหลังซึ่งก็เป็นธรรมดาของคนต่างยุคต่างสมัยกัน ความเข้าใจในเรื่องเดียวกันก็อาจจะคลาดเคลื่อนกันอยู่บ้างเป็นธรรมดาบ้างเขว่าการสร้างรูปปั้นนั้นเป็นการประจานไม่ให้คนเอาเยี่ยงอย่างบางเขว่าควรจะเอารูปนั้นไปทําลายหรือโยนทะเลเสียแต่ไม่ว่าโจรเมืองพัทลุงจะดีร้ายอย่างไรแต่ประวัติศาสตร์ก็ได้บันทึกชื่อเสียงโจรเหล่านั้นไว้เป็นบทเรียนแก่คนรุ่นหลังเรื่อยมา เมื่อถึงยุคสมัยที่นายร้อยบุตรพันธรั์เข้าไปรับหน้าที่ราชการตํารวจในเมืองพัทลุงปี2473นั่นเมืองพัท ล, ลุงกลับร้อนระอุขึ้นอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือการกลับมาของเสือร้ายยุคใหม่ที่ท้าทายนั่นก็คือเสือสังซึ่งแหกคุกเมืองตรังมากบดานอยู่ภายใต้อิทธิพลน้องกํานันตําบลป่าพยอม จุดนี้เองคือจุดเริ่มต้นแห่งสกราชการปราบเสือรายของนายร้อยบุตรพันธรักถ้าเอ่ยชื่อไอเสือสังตั้งแต่จังหวัดตรังไปถึงเมืองพัทลุงไม่มีใครไม่รู้จักมันเพราะคนคนนี้ไม่ผิดอะไรจากสัตว์นรกมาเกิดมีความเพียบพร้อมสมบูรณ์ด้วยความโหดเหี้ยมอมหิตเหลือขนานับชีวิตคอยสังนี่เริ่มจากการลักเล็กขโมยน้อยเป็นปฐมบทแห่งวิถีดาวโจน ก่อนจะเลื่อนขั้นมาลักขโมยวัวควายชาวบ้านสร้างความเดือดร้อนไปทั่วถิน่นหนักเข้ามันก็ปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์อย่างโหดเหีเ้ยมทารุณแม่คำนั้นผู้ใหญ่บ้านจะยกขบวนออกตามล่าไอ้เจ้าเสือสังนี่มันก็ตั้งขบวนพวกพ้องด้วยหากระสุนปืนอย่างอาถรรพ์เหตุนี้คำนั้นผู้ใหญ่บ้านซึ่งได้รับแจ้งให้ล่าเสือสังก็พากันแยงที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตัวความโหดร้ายของเสือสังเป็นที่ระบือในหมู่ชาวบ้านทั่วไป อย่างเช่นครั้งหนึ่งทันทีที่รู้ว่าในแก๊งมันใครเป็นสายให้ตำรวจมันจะรีบไปหาพร้พรอมกับไฟโทษะที่โชช่วงเจ้าสังลากคอสายมาสับปากด้วยพระคมกริบจากปากจนถึงกรามแล้วเคี้ยนด้วยไหวทั้งหนำจนสายของตำรวจคนนั้นตายคามือเสือสังจนไม่มีใครกล้าเป็นสายให้ตำรวจอีก ความฮืโหดของเสือสังผู้นี้ทําให้ชาวบ้านพากันปิดปากเงียบสนิทแต่ตํารวจเมืองตรังไม่ยอ่อท้อได้ระดมกําลังออกตามล่าโจรกลุ่มนี้โดยไม่หยุดยัง้งแต่ทุกครั้งมันก็หลบรอดเงื้อมือกฎหมายไปได้ตลอดเวลาด้วยอิทธิพลชั่วร้ายและความโหดจจึงไม่มีชาวบ้านช่วยเหลือตํารวจทําให้เจ้สังหลุดหนีไปได้ทุกทีที่มีการปราบครั้นตํารวจเมืองตรังวางกําลังกวาดล้าง มันก็เป็นมากบดานอยู่ในเขตจังหวัดพัทลุงแล้วถ้าตำรวจพัทลุงเข้ากวาดล้างมันก็หนีไปจังหวัดตรังอยู่อย่างเนี้ยเป็นประจําอย่างไรก็ตามตำรวจก็ไม่ได้สิ้นไร้ฝีมือเพราะว่ามีการสืบทราบว่าเจ้าสังมีเมียที่พัทลุงถึงสองคนเมียหลวงชื่อนางมิกเมียน้อยชื่อนางคลิปเมียทั้งสองคนในอยู่ที่บ้านห้วยกรวดตําบลป่าพยอมอําเภอควนขนุนพัทลุงซึ่งมีบ้านอยู่ไม่ห่างไกลกันนะัก แล้วเสือสังก็ได้หลบฉากการตามล่าของตํารวจเมืองตรังมาอยู่กับเมียทั้งสองคนที่บ้านห้วยกรวดอย่างเงียบเชียบโจรร้ายไม่ได้หวาดวันพันธุพึงตํารวจพัทลุงแม้แต่น้อยเพราะเชื่อมั่นว่าจะไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าไปบอกตํารวจว่าตัวมันกลับเข้ามาอยู่บ้านห้วยกรวดแล้วในเวลาเดียวกันทางกองบังคับการตํารวจภูทรมณฑล น, น, นครศรีธรรมราชก็ส่งตัวว่าที่ร้อยตํารวจตรีบุตรพันธุรกหรือว่า พลตมตรีขุนพันธรักษ์ราชเดชตอนนั้นเพิ่งสำเร็จหลักสูตรหปีจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจที่ถูกส่งตัวมาฝึกราชการที่โรงพักอำเภอเมืองพัทลุงก่อนหน้าที่ไอ้เสือสังจะลงมากบดานไม่นานนักเจ้าสังไม่มีทางรู้เลยว่าว่าที่ร้อยตำรวจตรีบุตรพันธรักษ์ที่มีรูปร่างสันทัดจบจากโรงเรียนนายร้อยห้วยจร์เขยนคปรปฐมมาหมัดหมาคนนี้เป็นคนจริงขนาดไหน โดยเฉพาะหัวใจมือปราบผู้นี้แข็งยิ่งกว่าเหล็กกล้าซะอีกแม้ว่าเสือสังจะซ่อนเร้นอำพรางร่องรอยของมันสักแค่ไหนข่าวที่มันหนีมากบดานก็แววเข้าหูร้อยตำรวจตรีบุตรจนได้ก็มีการเปิดแฝมประวัติอาชญากรรมของเสือสังอ่านแล้วก็พบคดีปล้นฆ่าแทบจะนับไม่ท้วนก็รู้ว่ามันเป็นตัวร้าย สร้างความวอดวายให้กับสุจริตชนทั้งทรัพย์สินและชีวิตอย่างเหลือขนานับในร้อยหนุ่มก็ตัดสินใจเดี๋ยวนั้นทันทีไว้เสือสังคนนี้สมควรจะถูกลากคอเข้ากรงรับโทษทันที่ก่อขึ้นสถานเดียวก็เริ่มออกสืมหาแหล่งกบดานน้องเสือร้ายอย่างเงียบๆมีนายขี้ครั่งเหรียญขำนักเลงเจ้าถิ่นที่รักน้าใจในายร้อยหนุ่มเป็นผู้ช่วยแล้วก็เป็นคนชนานาญท้องที่ เป็นผู้นำทางให้จึงได้ทราบว่าไอ้เจ้าสังนี่กลับเข้ามาหาเมียที่บ้านห้วยกรวดแล้ววันปฏิบัติการจับกลุ่มก็ได้เริ่มต้นวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2473ประมาณตีสว่าที่ร้อยตำรวจตรีบุตรก็ได้ชักชวนพลตำรวจเผือกด้วงชูและนายขี้ครั่งออกเดินทางไปถึงบ้านในอินแก้ว ซึ่งมีเขตบ้านติดต่อเขตบ้านไอเสือสังทั้งนายร้อยหนุ่มแล้วก็พลเผือกแต่งตัวนอกเครื่องแบบโดยเฉพาะนายร้อยตารวจตรีบุตรก็ใส่สรงเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปในอินแก้วมาเห็นหน้านายร้อยบุตรก็รีบทลาเข้ามารายงานปากคอสันว่าไอเสือสังได้บุกเข้ามาจับตัวนายทองลูกชายของตัวไปเพราะสงสัยว่านายทองเป็นสายให้ตารวจ เนื่องจากไอเสือร้ายเนี่ยเห็นนายร้อยบุตรแล้วก็นายขี้ครั่งแวะมาพูดคุยกันนายทองบ่อยๆมันก็เกิดความระแวงเสือสังนำตัวนายทองไปล่ามโซไว้ที่บ้านนางคลิบเมียน้อยเขามันแล้วก็ตอนรุ่งเช้าวันนี้เสือสังจะนำนายทองไปยิงทิ้งในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่ออำพรางคดีทุกคนก็รีบเดินทางไปบ้านนางคลิเมื่อไปถึงบ้านนางคลิบนายอินแก้วก็ขอแยกทางไปซ่อนตัวห่าง เพราะเกรงว่าหากตำรวจทำงานไม่สำเร็จเกิดไอ้เสือสังหนีไปได้แล้วรู้ว่าตัวเป็นคนนำทางให้ตำรวจมาจับไอ้สังก็ยอมไม่ไว้ชีวิตแน่คนทั้งหมดซุ่มคอยเสือสังออกมานอกบ้านแต่มันก็ยังไม่ออกมาสักทีจนกระทั่งเวลาห้านาฬิกาเสร็จนายร้อยหนุ่มก็สั่งให้ทุกคนย้ายที่ซุ่มใหม่โดยลงไปหลบตรงปากทางลงห้วย เพราะคาดวอยสังจะต้องคุมตัวฉเฉลยรัดลเลาะดงไม้ข้ามห้วยออกท้องนาแล้วพาตัวไปยิงทิ้งด้านนี้แน่โดยนายร้อยบุตรก็ลงไปหลบอยู่หลังตะลิงที่ขนาบอยู่สองวากทางพลเผือกแต่นายขี้ครั่งก็อาศัยต้นตะแบกใหญ่ริมทางเนี่ยเป็นที่กำบังรอคอยการปรากฏตัวของไอ้เสือสังอย่างเงียบเชียบเหตุการณ์กำลังตึงเครียดแต่เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังเดี๋ยวฟังต่อวันต่อไปครับ ขอได้รับความขอบคุณจากผมอาจารย์ยอดและอาจารย์กระมนลวันเรืองรัตนสุนทรครับสวัสดีครับอัทัถถังบรัตเถนะพะหูนาปิณหาระเยแปลว่าไม่ควรพร่าประโยชน์ของตนเพราะประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ตนยิ่งใหญ่เสียดายนัก อย่าเผลอผลักเบี่ยงบ่ายคิดหนายหนีทำประโยชน์ น, นั้นๆในทันทีอย่ารอรีแม้น้อยคอยระวังประโยชน์ผลคนอื่นแม้นดื่นดัดมีโอกาสทำได้เมื่อภายหลังประโยชน์ตนล้นค่าอย่าพร้าพังไม่รอรังรีบกรอบให้ชอบการพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับ มาคุยกันต่อถึงเรื่องของขุนพันธรักษ์ราชเดชตอนที่ไปจับไปเสือสังคือเจ้าเสือสังนี่นำตัวนายทองไปล่ามโซ่ไว้ที่บ้านนางคลิปเมียน้อยของตัวแล้วรุ่งเช้าวันนี้ละ่ะเสือสังจะนำนายทองไปยิงทิ้งในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่ออำพรางคดีทุกคนก็รีบเดินทางไปบ้านนางคลิปเมื่อไปถึงบ้านนางคลิปนายอินแก้วก็ขอแยกทางไปซ่อนตัวห่าง เพราะว่าเกรงว่าหากตำรวจทำงานไม่สำเร็จเกิดไอ้เสือสังหนีไปได้แล้วรู้ว่าตนเป็นผู้นำทางให้ตำรวจมาจับไอ้เสือสังย่อมไปไว้ชีวิตแน่คนทั้งหมดก็ซุ่มคอยไอ้เสือสังออกมาจากบ้านแต่มันก็ยังไม่ออกมาสักทีจนตีห้าขวาแล้วนายร้อยหนุ่มก็สั่งให้ทุกคนย้ายที่ซุ่มใหม่โดยลงไปหลบตรงปากทางลงห้วยเพราะคาดว่าสังจะต้องคุมตัวฉเฉลยลัดเลาะดงไม้ข้ามห้วยออกท้องนา พาตัวไปยิงทิ้งด้านนี้แน่นายร้อยบุตรก็ลงไปหลบอยู่หลังตะลิงพลเผือกและนายขี้ครั่งก็อาศัยต้นตะแบกใหญ่ริมทางลงห้วยเป็นที่กำบังรอคอยการปรากฏตัวของไอ้เสือสังอย่างเงียบเชียบเวลาผ่านไปถึงตีห้าครึ่งไอ้เสือสังจึงได้เปิดเผยโฉมไม่เห็นมันลากนายทองซึ่งถูกมัดมือไพล่หลังมีเชือกคล้องคออีกต่างหา ลาบจูงตามหลังมาเหมือนวัวมันกวายมันจูงในทองมาถึงลำห้วยถึงจุดที่นายขี้ครั่งและพลเผลือกซุ่มอยู่คนทั้งสองได้ยินไอเสือก็พูดเปลย์กันในทองในลักษณะเครียดแค้นวะทีนี้กูไม่เชื่อใครแล้วนายขี้ครั่งมองไปที่ซุ่มของร้อยตำรวจตรีบุตรซึ่งยังเงียบเชียบอยู่ก็คิดว่าเขายัางไม่รู้ตัวก็เลยจุปากเป็นสัญญาณ แต่กลายเป็นความผิดพลาดอย่างมหันไอเสือสังชงงะงักเมื่อได้ยินเสียงแปลกหูนายร้อยบุตรก็รีบถลันขึ้นมาจากตะลิ่งเพื่อตะครุบตัวเจ้าโจนไรไอสังมองเห็นมันรีบกระตุกปืนจากซองสับไกลระเบิดกระสุนใสในายร้อยหนุ่มทันทีเดี๋ยวเสียงเปรียงพลาดกระสุนนัดนั้นเลยข้ามหัวไปอย่างวุดนวิตนายขี้ครั่งนิเพนออกหลังต้นตะแบกแล้วประทับปืนคาบศิลา กดไกลั่นตูอมออกไปหมายกลางอกเสือสังที่ยืนจังงังไปเงาตะคุ่มปรากฏว่าลูกโดดเก้าเม็ดแคล้วคลาดไปจากร่างไอ้เสือสังไม่โดนเลยสักเม็ดส่วนพ้นเผือกก็ยิงไปที่ร่างไอ้เสืออีกหลายนัดแต่ก็พลาดอีกเสือสังไม่รีรอหันหลังวิ่งหนีเต็มเหยียดไปทางบ้านนางมิกเมียหลวงซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณสองเส้นนายทองซึ่งเป็นตัวประกันก็ตกใจวิ่งหนี วิ่งไปร้องไปแถมตามไปเส้นทางเดียวกันกับที่เสือสังวิ่งเลยผมไม่ใจคนรา้ายอย่ายิงอย่ายิงทุกอย่างชุลมุนไปหมดจนในร้อยบุตรต้องตะโกนถามลูกน้องว่าไอ้คนไหนว่าเสือสังนะ่ะคนหน้าหรือคนหลังเพราะในทองดันวิ่งหนีไปทางเดียวกับไอ้สังในขี้ครั่งกับไอ้คนออกหน้านั่นแหละไอ้สังเหล่ามือปราบก็ไล่กวดเห็นหลังไอ้เสือสังหลบเข้าไปในป่ารกด้านขวามือ นายร้อยบุตรก็โดดขึ้นไปบนจอมปลวกพลเผือกไปยืนจังก้าอยู่กับพื้นข้างล่างหน้าจอมปลวกคนทั้งสองก็สายปืนไปมาเพื่อหาเป้าแล้วนาทีนั้นเสียงปืนจากเสือสังก็แผดดังเปรี้ยงกระสุนนัดนี้วิ่งผ่านรอดใต้รักแร้พลเพือกจนเสื้อขาดแล้วเลยไปทะลุสรงที่นายร้อยบุตรนุ่งเป็นรูใหญ่พลเผือกก็กระนำปืนสวนเขาใส่สี่นัดนายร้อยบุตรก็ซัด กระสุนเมาเซอร์ไปอีกสองนัดตรงจุดที่เสือสังส้มอยู่ผลของหากระสุนปืนที่ยิงเข้าใส่ก็ทำให้เสือสังทนอยู่ไม่ได้อีกแล้วมันกระโจนวิ่งอ้อมเลาะสวนหมากไปทางทิศตะวันตกในร้อยบุตรก็ออกวิ่งตามพร้อมสั่งให้พลเผือกวิ่งไปสกัดด้านหน้าเวลานั้นฟ้ายังไม่สางดีแถมยังมีหมอกลงบางๆมือปราบหนุ่มก็วิ่งแหวกพงหญ้าไปพลังยิงใส่ไปพลัง เสียงวิ่งของเสือสังหยุดลงนะในร้อยบุตรก็หยุดบ้างต่างฝ่ายต่างหยุดดูเชิงกันครู่นึงคราวนี้ไอ้เสือเพ่นต่อวกไปทางทิศเหนือมือปราบก็จับทิศทางถูกพยายามวิ่งตัดเป็นเส้นตรงในที่สุดก็เห็นตัวไอ้เสือสังเขากดทะยานเข้าใส่ทันทีไอ้สังก็ไวมันหันควับมาประจันหน้าก้าวถอยหลังพร้อมกันเหนียวไกลปืนในมือหมายระเบิดกระสุนเข้าถลม่ม เสียงนกสับถูกแป้นชนวนดังแชะเพราะกระสุนด้านทีนี่ในร้อยบุรก็ไม่รอช้าแล้วกระโจนเขาปัดกระบอกปืนเบนออกแล้วคล่อมร่างมันซัดหมัดเข้าใส่ก็อย่างพละวันไอเสือร้ายได้ถีนยิบ ป, ปากขย้ำกัดกลางท่อนแขนไซนายร้อยนมเต็มเหนียวเลยมือปราบนุมชกหน้าไม่ได้กำบั้นขวาแต่โจนก็กัดไม่ปล่อย แม้ว่าจะพยายามบีบคอมันก็แล้วควักลูกตาก็แล้วไอ้เสือสังก็ยังกัดอยู่นั่นแหละนะในร้อยบุตรก็ตัดสินใจแรกกับมันเอาวะมึงกัดกูได้กูก็กัดมึงได้เหมือนกันคิดได้อย่างนั้นในร้อยหนุม่มก็ก้มกัดที่หัวไหล่ซ้ายของมานะะันขย้ำควันจนสุดแรงจนเนื้อหัวไหล่ไอ้เสือขาดเวอะแวะเลือดทะลักเต็มปากเลยเสือสังแหกปากร้องลั่นบอทนเจ็บไม่ไหวนะแขนในร้อยบุตรก็เลยเป็นอิสระ แล้วเวลาเดียวกันมันกระชากมีดออกจากฝักที่เหน็บเอวมาอ่า <c oughs> เขาก็ยกเท้าถีบระเห ย, ยบข้อมือขวาไว้ก้มมีดก็บาดผ่าเท้าในร้อยบุตรจนได้เลือดทั้งคู่กอดรัดกันอีลุงตุงนั่งเสือสังพยายามใช้มีดปาดคอในตํารวจทั้งที่ทั้งสองกลิ้งกันไปกลิ้งกันมาจนป่าหญ้าแถบนั้นราบเป็นทางเลยบังเอิญพลเผือกวิ่งตะลุยเข้ามาหาโดยมีนายขี้ครั่งวิ่งตามมาติ ด, ตด เวลานั้นนายร้อยบุตรขึ้นคร่อมอยู่ข้างบนพลเผื่อก็กระแทกพานท้ายปืนเขาที่หน้าผากไอเสือเต็มเหนียวตัวมันอ่อนยวบทันทีพอดีนายขี้ครั่งเข้ามาถึงตัวแล้วหวดด้วยสันพระซ้ำเขาที่เดิมอีกไอสังถึงกันแน่นิ่งสิน้นฤทธิ์ถึงได้จับมันใส่กุญแจมือไว้เสือสังทรหดเกินคาดมันหมดสติไปเดี๋ยวเดียวก็ปืนขึ้นมาพอได้สติก็ร้องด่านายขี้ครั่งดิพาพวกมารุมทำร้าย นายร้อยบุตรก็แสดงตัวเป็นตำรวจให้มันได้รู้เสือสังก็เลยสารภาพว่าหากรู้เป็นตำรวจมันคงไม่คิดสู้อะยังไงก็ดีเสือร้ายผู้นี้นอนทุรนทุรายอยู่ประมาณส0บนาทีก็สิ้นใจตายเวลานั้นท้องฟ้าเริ่มสว่างมากแล้วชาว บ, บ้านเริ่มทยอยมามุงดูกันหลายคนนายร้อยบุตรก็ลุกไม่ขึ้นบพาหมดแรงพเผือกันาี่ครั่งเข้ามาช่วยประคองให้ลุกขึ้นต่างก็ได้กลิ่นอุจจาระเหม็นคลุ้ง นายร้อยบุตรก็ได้กลิ่นเช่นเดียวกันก็มือป้ายสรงตรงก้นยิดว่าตนเองไหลออกมาไม่รู้ตัวแต่ว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเมื่อเข้าไปพิสูเสเสือสังโดยละเอียดพบว่าเสือสังถูกกระสุนเมาเสือของนายร้อยบุตรก็สองนัดนัดแรกที่คออีกนัดที่สะดือทะลุสะโพกอุจจาระของเสือสังไหลออกมาทางแผลสะดือนี่เองคำวันนั้นศพของไอ้เสือสังก็ถูกแบกมาไว้ที่อำเภอรุ่งเช้า พระยาศรีเจรตรตำรวจภูทรมนทนนครศรีธรรมราชมาตวรวจราชการที่อเภอรวนกระหนุนได้ร่วมการชนะสูตรพริกศบเสือสังด้วยได้แสดงความพอใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างองอาจหท้าหาขนข้าในร้อยบุตรทั้งรับรองจะเสนอความดีความชอบต่อผู้บังคับบัญชาให้การเวลาผ่านมาทั้งสองท่านคือพ่อท่านเอื้อมและพลตำรวจตรีขุนพันได้มาพบกันอีกครั้ง ทั้งสองท่านได้จับมือแสดงความเป็นมิตรเพราะท่านเอื้อมก็ล้างมือจากการเป็นเสือปล้นมาภายหลังท่านเกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตคารวาัตขุนพันธ์ก็เลยแนะนําให้ไปบวชกับพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์วัดจันดีจังหวัดนครศรีธรรมราชพ่อท่านเอื้อมกตัตปุญโญก็ ต, ตัดสินใจทําตามคําแนะนําของขุนพันธ์เข้าสู่ร่มเงาการสวัสดเมื่ออายุของท่านมากพอสมควรแล้ว โดยท่านมีความตั้งใจจะไปบวชกับพระอุปชาที่เก่งกล้ามีวิชาอาคมขมังเวทท่านถือว่าในการบวชครั้งนี้เท่ากับได้เกิดใหม่เมื่อได้เกิดใหม่ก็ควรจะต้องมีพ่อที่ให้กำเนิดที่ดีเป็นที่พึ่งทางทรมได้แต่ขณะนั้นพ่อท่านใครที่ขุนพันได้แนะนำให้ไปบวชกับท่านท่านชราภาพมากแล้วก็เลยไปขอบวชกับพระอุปชารูปอื่นก่อนจะบวชท่านก็มีความตั้งใจว่าถ้าบวชกับพระอุปชารูปใดก็แล้วแต่จะศึก กับพระอุปชารูปนั้นในความคิดแต่เดิมนั้นเพราะท่านเอื้อมไม่ได้ตั้งใจมีความหวังว่าจะบวชตลอดชีวิตแต่ที่สุดท่านก็ได้บวชกับพระครูถาวรบุญยรัตน์เป็นพระอุปชาเมื่อวันที่18มิถุนายนปี2414ที่วัดปากเชียนตำบลเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชขณะที่อายุได้65้าปี การศึกษาพุทธาคมหลังจากที่บวชเป็นพระแล้วได้อยู่จำมันสาวัดปากเชียนศึกษาข้อวัดปฏิบัติจากนั้นจาริทุดงไปตามป่าเขาลำเนาไพรแล้วก็ขึ้นเหนือถึงประโจบักิริขันแล้วก็ลงใต้สำนักอาจารย์เขาอ้อไปสุดชายแดนมาเลเซียระหว่างทุดงก็ได้สร้างวัดวารามไว้ทั้งหมดเจ็วัดด้วยกันกิติคุณของท่านพอเอื้อมเป็นที่กล่าวขวัญเรื่องเมตตามาหานิยมคงกระพันชาตรี วัตถุมงคลของท่านเข้มขลังมากประสบการณ์เช่นเหรียญรุ่นแรกออตอนที่ทำในท่านอนายุ82ปีแล้วสำหรับพ่อท่านเอื้อมเจ้าวาดวัดสุวรรณจตุพลปัญ น, นารามหรือว่าวาดัดบางเนียนตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านได้รับสมญาพระเกจิขลังทองทั้งแ ท, งท่งเพชรแท้แห่งลุ่มน้ำปากพนังสายเขาอ้อนะจึงได้ชื่อว่าเป็นเสาหลักของสิทธิเขาอ้ออยู่ในระดับแนวหน้าที่ได้รับความเคารพศรัทธาเป็นอย่างสูงวิทยาคมเข้มขลังปลูกเสกวัตถุมงคลได้ฉมังมากไปด้วยประสบการณ์สมดังคำพูดที่พลดมรตรีขุนพันธุรัรชเดชได้เคยกล่าวไว้ว่า ในเรื่องปลุกเสกก็เห็นจะมีแต่พระเอื้อมเท่านั้นที่พอจะฝากฝังได้พ่อท่านเอื้อมกระตะปุญโยศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างมุ่งมั่นจริงๆระหว่างทุดงปักกรดบำเพ็ญศีลตามป่าถ้ำผาและเดินข้ามบูเขาน้อยใหญ่รวมได้หกสิบลูกการปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดของพ่อท่านเอื้อมจึงเชื่อกันว่าท่านได้บรรลุธรรมชั้นสูงนอกจากศึกษาค้นว้าและปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดแล้ว พ่อท่านเอื้อมยังได้ศึกษาค้นคว้าทางสัยววิทยาคมทั้งศาสตร์อิสลามพราหมณ์และพุทธมาตั้งแต่อายุของท่านในส16ปีจนถึงปัจจุบันจึงทำให้ท่านมีความรู้แตกฉานลึกซึ้งแก่งกล้าทางด้าน ส, ยสายศาสตร์เวทมนต์ในทุกด้านเมื่อพ่อท่านเอื้อมย่างเข้าสู่วัยชาราแล้วหยุดธุดงมาพำนักเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดบางเลียนจนกระทั่งถึง วาระสุดท้ายหนึ่งศตวตรรษที่ผ่านมาท่านได้สั่งสมประสบการณ์รู้หนาวรู้ร้อนผ่านผลมามากมีประสบการณ์ทุกอย่างเกียรติคุณของท่านเป็นที่รู้จักเลื่อมใสเป็นพระที่เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมความชราไม่เป็นปัญหากับท่านด้วยความเมตตาที่เปี่ยมลน้นเมื่อตอนที่ท่านมีอายุได้ร้อยสปีท่านได้จัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นล่าสุดเพื่อหาปัจจัยสมทบทุนการสร้างหอฉันที่ยังค้างคาอยู่ให้แล้วเสร็จ รุ่นนั้นมีชื่อรุ่นว่าไหวครูร้อยสี่ปีก็เป็นรุ่นที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีคำเล่าลือว่าวัตถุมงคลที่สร้างออกมาในชุดนั้นน่ะมีกำลังมาก